ช่วงเวลาของความฝันหวานกาลังจะหมดลนะต่อไปก็จะถึงเวลาของการฝันร้ายรวมแล้วฝันตลอดเพราะในโลกนี้มันไม่มีคนตื่นคนมันได้จมอยู่ในความทุกข์นะมีความสุขเป็นภาพดวงตาหลอกๆความจริงปีใหม่มันก็ทุกข์เหมือนกันนะทุกข์ไปอีกแบบแต่มองไม่ออก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 ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการปฏิบัติทั้งสิ้นเนละทุกอิริยาบถทุกความเคลื่อนไหวทุกการกระทานะเป็นเรื่องของการปฏิบัติล้วนๆเลยถ้าเราสามารถปฏิบัติได้ในะทุกๆอิริยาบถทุกๆ ก, การกระทานะมากฝันนิพพานจะมาถึงเราอย่างรวดเร็วเลยฉนะ น, นเราอย่าประมาทประมาตก็คือว่าเราเห็นว่ากิเลสเล็กิเลน้อยไม่สาคัญนะ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 ท, ทันทีที่มีสตินั่งกุศลก็เกิดขึ้นแล้ะตัวสติเป็นตัวกุศแลแ้วกุศลจะเกิดมากขึ้นมากขึ้นไบขึ้นไบขึ้นเนกุศลตัวโ ต, วตวขึ้นอย่างเราหัสทีแรกนะั้นนานๆรูนน้ตัวได้แวบหนึ่งใช่ไหมหัดไปหัดมาเหมือนรู้ได้ทั้งวันนะ่ะทีแรกก็จงใจรู้ใช่ไหมหัดไปหัดมาไม่ต้องจงใจมันก็รู้นหลวงพ่อเคยเป็นนะมีช่วงหนึ่งยังไม่ได้บวชหรอกเห็นจิตมันไหวยับแยบยับแยบอยู่เห็นมันไหวอย่างเนี้ย